1>, 1. ปัตตวัตสิกขาบทที่12ว่าด้วยการขอพระหอมบางในฤดูร้อนเรื่องภิกษุณีทุลนันธา788สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันธาเป็นพระโหสูตรเป็นนักพูดกล้าสามารถกล่าวธรรมีกถา สมัยนั้นในฤดูร้อนพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงภาพปลือกไม้ราคาแพงเข้าไปหาภิกษุณีทุลนันธาถึงที่อยู่ทรงอภิวาสแล้วประทับนั่งณที่สมควรภิกษุณีทุลนันธาชี้แจงให้พระเจ้าประเสนที่โกศลผู้ทรงประทับนั่งณที่สมควรให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้อใจให้อาหารแรพวกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศล ผู้ซึ่งภิกษุณีทุลนันทาชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้าแกล่าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วได้ตรัสกับภิกษุณีทุลนันทาดังนี้ว่าแม่เจ้าถ้าต้องการสิ่งใดก็โปรดได้บอกเถิดภิกษุณีทุลนันทานั้นทูลว่าขอถวายพระพรถ้าพระองค์มีพระราชประสงค์จะพระราชทาน ก็ขอได้โปรดพระราชทานภาพเปลือกไม้เผื่อ น, นี้เถิดครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลถวายภาพเปลือกไม้เผื่นั้นแก่ภิกษุณีทุลนันทาเสด็จลุกจากที่ประทับนั่งแล้วทรงอภิวาทภิกษุณีทุลนันทาแล้วทําประทักสินเสด็จจากไปพวกชาวบ้านตนําหนิประนามพผลนทนาว่าพวกภิกษุณีเป็นคนมากๆไม่สันโดษฉะนี้นจึงออกปากทูลขอภาพเปลือกไม้จากพระราชาเล่า